ภ้าพนวกหนึ่งประกนนาศคณะราชบัตรที่หนึ่งาราษฎรทั้งหลายเมื่อจะกรองนี้ได้ขล้องาราชสมบัติถือต่อจากพระเคทฐานั้นในชั้นต้นาราษฎรบางคนได้หวังกันว่าประสารองค์ใหม่นี้จะตกของาราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่ประสาคงทรงอานาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตัง้งญาติจวงและคนส่อทรไลค่คุณความรู้ให้ดำรงตาแหน่งที่สำาัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงาราษฎร ปล่อยให้ข้าราชการใช้อำ น, นาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างในการซื้อของใช้ในราชการหากาไรในการเปลี่ยนเงินฐานเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่ารัษฎรกดขี่ข่มเหงรัฐดอปกครองดอโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมทั้งที่จะเห็นได้จากความตกตังในทางเศรษฐกิจและความผุดเพลิงในการทำมาหากิน ถึงองรัษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เนือกฎหมายมีสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้าการที่แก้ไขไม่ได้ก็เพรารัฐบาลของกษัตริย์ไม่ได้ปกครองประเทศเพื่อราาัษฎรตามที่ราฐาัฐบาลอื่นได้กจะทํากันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอารัษฎรเป็นทาสซึงเรียกว่าไพรบ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ เหตฉะนั้นแทนที่จะช่วยาราษฎรกับพาการทำนาบนหลังของาราษฎรจะเห็นได้ว่าทรัพายากรที่บิดพั้นเอาจาการาษฎรนั้นกระสับได้หาเาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนาราษฎรติดก็จะหาได้แนมะ้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบประเด็นถึงขัาวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้าจำนอนชิงกันเป็นสุก ไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าฟาและพระเจ้าไบเซอร์เยอ ร, อรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาล ข, ของกรตัาได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อรัษดรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากิมอย่างโน้อนอย่างนี้แต่คัคอยคอย ก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มีหนำซ้ำกล่าวมินประมาลาธรผูมีบุญคุณเสียคาทรัพยากรให้คุกเจ้าได้กินว่าราฐดรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะรัษดรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้พราราษดรโง่เจ้าก็งโง่เขาเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษดรรู้ไม่ถึงเจ้านั้น เป็นเพราะขาดการศึกษาที่ทุกเจ้าปกปิดไว้ม่ให้เรียนเต็มที่ก็เปรงว่าเมืองรัศดรได้มีการศึกษาก็าจะรู้ความชั่วร้ายที่ทวกเจ้าทําไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทํานาบนหลังคนอีกต่อไปรัษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของรษอัษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุพรุษของรัษฎรเป็นผู้ช่วยกันคู่ให้ประเทศเป็นอิสรภาพค้นมือจากข้าศึก พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปอิดและกวาดทรัพสมบัติเข้าไว้สร้างหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากรัษฎรเพราะวิธีทํานาบนหลังคนนั้นเองบ้านเมืองกําลังขาดคัดสุดเพลองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บํารุงรัฐบาลและคนงานออกอย่างเกลียวกาดนักเรียนที่เรียนสําเร็จแล้วและหาที่กดกองทุนกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทํา ออดอยากไปตามเนื้อหากรรมเหล่านี้เป็นผลของกระสับ เ, าาเนือกฎหมายจีบขันข้าราชการชั้นผู้น้อยในเซ็กและสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงคนเอาเงินที่พวกเจ้ากวาวดรวบรวมไว้มาจากบํารุงบ้านเมืองให้คนมีงานทําจึงจะสมควรที่ฉนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีก ร, รให้พวกเจ้าได้ร่ํารวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทําอย่างใดง ไ, ดไม่ ผมสูดเลือดกันเรื่อยไปเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองพุทโธป่อยแทรกะดอนอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและคนละเลือน ที่รู้เท่าถึงฟการกระทํามันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกําลังตั้งเป็นราชคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอํานาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่ า, าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันติดส า, าหาลือหละหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้ ตรงนี้กำลงตำแหน่งกษัตต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลํำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราฐฯได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับรองถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอานาจลงมา ก็จะชื่อว่าขอรอยศต่อชาติและก็เป็นการจําเพนที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่าง ป, าาประชาธิปไตยกล่าวคือสรมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญึือสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ใต้ตําแหน่งตามกําหนดเวลาตามเวทีนี้ราษฎรคือหวังเกิดว่าราษฎรจะได้รับความบารุงอย่างดีที่สุดคือทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามตามสภาพ เมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูงขึ้นเป็นแน่นแน่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะควรจะทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่าหนึ่งจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่นเอกลักในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคงสองจะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การกระทุ้ดกระไลต่อกันลดน้อยให้ลดน้อยลงให้มากสามต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราฐฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหา ง, งานให้รัษฎรทุกคนทําระวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราฐฎรอดอยาก จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่ารัษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ห้าจะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักขีดประกันยังกล่าวข้างต้นหกจะต้องให้การศื่อารอย่างเต็มที่แก่รัษฎรรัษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะรัฐให้ทํากิดอันคงอยู่คงจะคงอยู่ช่วงดินฟ้านี้ให้สําเร็จคณะรัฐขอให้ทุกคนนี้ ที่ไม่ได้ร่วมมือเข้ายึดอํานาจจากรัฐบาลกระตริยเหนือกฎหมายถึงตั้งตนอยู่ในความสงบแต่ตั้งหน้าพมากิมจะทําการใดๆใอันเป็นการขัดขวางต่อคณะล่าดตามที่ราษฎรช่วยคณะล่า น, นี้เท่ากับร่าษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราสฎรบุตรหลานเลนของตนประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างท้องบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทํา องอตายทุกคนจะมีสิทธิ์คเสมอภาคกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพ่เป็นชาเป็นชาพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังลราชดรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐกึงเรียกเป็นศัว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดแก่ราชดรทั่วหน้าคณะราชสมิถุนายนสอง